ห, หมดไปหลายกันแล้วนี่หืกทายาทมานะเล่านิทานอะไรบ้างได้กติอะไรบ้างพวกเราเข้าห้องเข้าออกเข้าออกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคขามืดเช้ามืดยิงกว่านักเรียนเขาด้วยนี่ฮะ ธรรมะศึกษา <c oughs> <c oughs> ธรรมะศึกษาศึกษาธรรมศึกษากายของตัวเองศึกษากายศึกษาใจของตัวเอง เว้ยเว้ ย, วยทีละเมตร อยากให้ถามงานปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เราไปนั่งนึกนึ ก, น ก, น ก, น ก, นกแลเขียนแล้วก็เขียนมาถามที่เราทำถามนี่ก็มันลักษณะเขาสอบอารมณ์นั่นแหละลักษณะเขาสอบอารมณ์ละความในใจของเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะไม่ใช่เราไปนั่งนึกเอาเมื่อ5วันสิบวัน สองปีสามปีก่อนมาถามไม่ใช่และที่สำคัญไม่ควรถามลองภูมิมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรั บ, บเราอยากให้ถามในปัจจุบันที่เรากำลังทามันก้าวไปได้ขนาดไหนมันตั้งมั่นได้ขนาดไหนมันได้กาลังจิตกาลังใจขนาดไหนทั้งวันทั้งคืนที่เราเข้าออกเข้าออกในในหอธรรมเนี่ย เราได้รับแต่ความสุขความชุ่มเย็นในหัวใจอันสืบเนื่องจากการที่เราสำรวมใจได้ระมัดระวังใจได้ใช้สติกำหนดจดจ่อต่อเนื่องภายในหัวใจของเราได้เรามีผลอะไรตกค้างเหลือบ้างมีผลเพิ่มขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่มีปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรนี่เราคุยกันเพราะฉะนั้นปัญหานี้ถ้าเผื่อพูดสดสด ออกมาจะสะดวกในการถามการตอบองานนี้ครูบาอาจารย์ท่านท่านไม่ได้คิดอะไรมากท่านมีลูกศิษย์อยู่ที่วัดตามาทัท่านก็ บ, บอกไปภาวนาเนอะไปภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแค่นี้แหละ อยู่ด้วยกันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีสปีหปี1 0ปีท่านสอนแค่เนี้ยไปอยู่ไปทาไปอย่างลุงตาเนี่ยท่านไม่ถามเลยท่านไม่ถามเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงท่านไม่ถามยกเว้นแต่คนนั้นเคยถามก่อนแล้วท่านไม่ถามถ้ามีความในใจจำเป็นยังไงเนี่ยเจ้าตัวจะต้องบอกเจ้าตัวจะต้องบอกเอง สอนแค่นั้นแหละไปภาวนานะพุโทโธพุโทโธพุทโธจะแล้วอุบายวิธีต่างๆก็จะออกมาในรูปของการอบรมในการอบรมเพราะอย่างอยู่ที่บรรตาดนี่ช่วงที่เราพวกเราเข้าไปนี่รู้สึกท่านจะอบรมถีมาก2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ี่อนี่ีอบรมถีมาก เว้นสองวันครั้งเว้นสามวันครั้งเว้นสองวันครั้งเว้นสามวันครั้งเ ว, ว้น4ี่วันห้าวันครั้งบ่อยบ่อยมากท่านจะอบรมบ่อยอุบายวิธีที่เราจะพึงได้จากท่านก็จะออกมาตอนที่ท่านอบรมเรานั่นแหละเพราะท่านกําหนดดูแล้วพอท่านผ่านไปแล้วว่าเราเดินไปแล้วเราจะไปประสบพบเห็นอะไรยังไงจะแก้ไขยังไงอ่ อุบายวิธีที่สะดวกที่ลัดที่ตัดที่ลัดอ่าหลบที่ยาบตรงนี้หลบไปยังไงท่านก็กมีอยู่ในคําบอกคําบอกคําเทศคําสอนของท่านเพียงแต่เราสำเนียกนียนเห็นไหมเห็นรูปลงปุชามั้ยนี่ลักษณะนี่เขาเรียกสำเนียกเห็นไหมรูปลุงปุชามั้ยเนี่ยที่ท่านนั่งนี่เขาเรียกนั่งสำเนียกนั่งโยนิสโส โยนิสโสมนัสิการนั่งสำเนียกนั่งไข้ครวนนั่งวิจารณวิจัยที่ท่าเรียกว่าวิจยะวิจยะวิจยะสัมโพธชงธรรมะการศึกษาธรรมะก็เหมื่อก็เราก็เปิดเมื่อก็เราเปิดดูหน้าหนังสือเปิดดูเปิด ด, ด, ดูพลิกดูอารมณ์ที่ใจเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันไปเกี่ยวข้องอย่างนี้มันได้รับความชุ่มเย็นอย่างนี้ได้รับความแปลว์แปลว์ตื่นเนื้อตื่นตัวอย่างนี้อย่างนี้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ตัวนี้ทำให้จิตใจเราตกต่ำลงอย่างนี้ทำให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดความลุ่มหลงคล่ําเครียดอะไรอย่างนี้เราจะต้องศึกษาด้วยตัวของตัวเราเองการศึกษาคือการสำเนี็ตคือการวิจารณ์วิจัยนั่นแหละแต่ต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเพราะฉะนั้นจึงเน้นที่ความสงบ ถ้าเรามีความสงบแล้วเหมือนกับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนีงานที่เราจะทําอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องอยากทําในเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีในเมื่อเราเรามีความสงบแล้วมันก็ยิมยิ้มย่องในหัวใจเออใครไม่รู้แต่เรารู้ใครไม่สงบใครไม่เย็นใครไม่เยือกเย็นใครไม่สะดวกใครไม่สบายแต่เรารู้เราเราเยือกเราเยือกเรเย็นเราสะดวกเราสบาย เราก็ยิ่มยิ้มย่องในหัวใจของเราเราอบอุ่นในหัวใจของเราเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ดีเครื่องมือเอาไว้สำหรับอะไรสำหรับทำงานงานก็คือไปคลี่คลายเพื่อทำลายความหลงของตัวเองหลงกายหลงใจของตัวเองนั่นแหละเมื่อเรามีเครื่องมือดีแล้วมันก็ชวนให้เราตั้งใจทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นเริ่มแรกก็คือเครื่องมือ น, นั่นแหละการฝึกอบรมฝึกจนฝึกจน จนเป็นอาจินฝึกเป็นประจำฝึกจนชำนาญฝึกจนจิตเนบแตกต่างอาัศจรรย์จากที่เราไม่เคยฝึกฝนอบรมกํ็ลดย้อนลงไปก็เห็นความตั้งมั่นของมันเห็นความแน่นหนามันคงของมันเนี่ยเนี่ยมันมันไม่สะทกสะทานกับกับอะไรจิตที่มีความสงบมีความเยือกเย็นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดี เราก็เอามาพิจารณาเข้าพิจารณาในแง่ mermaid, ไหนเราก็ พ, พิจารณาได้พิจารณาในแง่ท่านให้พิจารณาผมขนและฟันเราก็พิจารณาได้เราจะพิจารณาในแง่ดินน้ำลมไฟรูปธรรมของเรานะีมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันก็ได้เราพิจะพิจารณาในแง ICO, ม่มหาสติปัฏฐานก็ได้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเป็นอันเดียวกันเลย พิจารณาผมขนและฝันหนังอันเดียวกันพิจารณาดินน้ำลมไ่มันก็อันเดียวกันกับในหลักมาหาสติปัฏฐานมาหาสติปัฏฐานมันมีทั้งภาครคูปภาคนามภาครูปก็คือตามดูกายพิจารณากายภาคนามก็ตามพิจารณาเวทนาเวทนาในจิตเวทนาในกายตามพิจารณาจิตตามพิจารณาธรรมตามพิจารณาธรรม นี่มันก็เป็นการพิจารณาเพื่อแยกแยะเพื่อให้รู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแต่ก็ไม่ทิ้งฐานคือความสงบมีความสงบเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเป็นกำลังเป็นสบียงเลี้ยงตัวเราไปในขณะที่เราทำงานเพื่อให้งานของเราเนี่ยแจ่มแจ้งชัดเจนจิตที่มีความสงบรอเลี้ยงเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเนี่ยมันมีความ มันมีความคล่องตัวมีความคมอยู่ในตัวมีความคมอยู่ในตัวมีความชัดเจนกับอารมณ์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นอุปการะกับการพิจารณาที่จะเราจะเอาไปวิจารวิจัยอะไรก็ได้พอวิจารวิจัยไปแล้วผลตกออกมามันก็จะเหมือนเหมือนกันทำให้เราทราบสภาวะความ เป็นจริงของสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นท่านให้พิจารณาเป็นธาตุดินเราก็ดูด้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่านี่ทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าเป็นธาตุดินเป็นธาตุดินทำไมท่านจึงว่าเป็นธาตุดินทำไมถึงไม่เหมือนดินอยู่ข้างนอกตัวเราดินข้างในตัวเราไม่เหมือนดินอยู่นอกตัวเรา คำว่ า, า, าธาตุดินในทีนี้ท่านหมายเอาสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแข็งนะแข็งแข็งแข็งนี่ตามเตียวว่าวลักษณะของาาธาตุดินดูให้ชัดเจนก็คือผมคือกระดูกเนี่ยแหละมันแข็งกระดูกนี่แข็งนี่เป็นลักษณะของธาตุดินเนื้อก็เป็นลักษณะแข็งก็เรียกว่าแข่นแข็ ง, ขงเป็นก้อนเป็นแท่ง ดูให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของกายถ้าจะแยกเป็นธาตุก็คือธาตุดินท่านค่ายดูเนี้ยดูจนเห็นชัดเจนดูจนใจมันยอมรับว่าสัก่ะว่าเป็นดินไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเขาไม่มีใครไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องสัก่ะว่าเป็นธาตุดินจริงๆไม่มีความรู้สึกอยู่ในตัวไม่มีความ รู้สึกนึกคิดอยู่ในตัวสักดิ์าเป็นสภาวะธรรมที่อาศัยกันเกาะกลุ่มกันตามระบบระเบียบของสภาวะความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองถาดดินถาดดินที่เรามีอยู่ถาดน้ำน้ำดีน้ำเสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดจนถึงน้ำน้ามูดจนถึงน้ามูดอันนี้ก็เป็นลักษณะของถาดน้ำ เป็นมูลเดิมของก้อนก้อนก้อนก้อนกายก้อนนี้ธาตุดินเป็นมูลเดิมของกายก้อนนี้ธาตุน้ำเป็นมูลเดิมของกายก้อนนี้คำว่ามูลเดิมมูลเดิมมันก็มาจากคำว่าคาว่าธาตุธาตุธาตุแปลว่าสิ่งที่เป็นมูลเดิมสิ่งที่เป็นของเดิมสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไปจำโลกท้าเรียกว่าาเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำ ในกายของเรามีไหมมีอาการ 32-20 อาการแรกเป็นธาตุดินสิบสออาการหลังนี่เป็นธาตุน้ําอาการ32เราแยกออกเป็นอาการเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาให้เป็นธาตุก็เลยพิจารณาว่าไม่มีเราอยู่ในธาตุไม่มีธาตุอยู่ในเราไม่มีเราอยู่ในธาตุเราไม่เป็นธาตุธาตุไม่เป็นเราธาตุก็ศักดทวัฏธาตุดินก็ศัตดิ์สิวัดินน้ําก็ศัตดทวัฏน้ำ ไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นทั้งนี้เพื่อทําลายตันหาอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นด้วยตันหาด้วยอุปาทานนี่แหละนีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่การพิจารณากายในหลักมหาสิทธิปทานก็คือพิจารณาแบบนี้ธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟก็คือไฟที่มีอยู่ในกายนี่ยเราสัมผัสไปตรงไหนตรงหน้าผาก ลำตัวเราตรงไหนเราสัมผัสไปมีความอบอุ่นอันนี้เป็นธาตุไฟอาศัยธาตุทั้งสีนี้มาเกาะกลุ่มกันมาเกาะกลุ่มกันด้วยอํานาจของกรรมมันเกี่ยวเนื่องกับกรรมกรรมนี้มากับนามธรรมนำ ม, มากับจิตมากับผู้รู้เมื่อกายนี้มีผู้รู้มายึดครองอแสดงว่ากายนี้จะต้องเกาะกลุ่มกันด้วยอํานาจของกรรม มีการเจริญขึ้นมีการเสื่อมลงมีการแตกสลายไปตามภาวะของความมีความเป็นของธาตุของมันพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดการยึดมั่นถืถอมั่นด้วยอุ ป, ปาทานยึดเอาถือเอานี่มันก็เป็นการพิจารณาทะน้อมไปมันก็เข้าในหลักมหาสติทั้งนั้นแหละทั้งเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมก็เช่นเดียวกัน เพื่อทำลายความหลงของตัวเองนี่ความการศึกษาในภายในเราก็ศึกษายอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาตั้งไล่กันสูตรนั้นสูตรนั้นสูตรนั้นสูตรนั้นเราก็ห่างเกินไปเรามาดูกายของเราทั้งกอดเนี่ยเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่เรามาคลี่คลายกรจายออกให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราศึกษาธรรมะที่เป็นมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเฉพาะหน้าเราเนี่ย เกี่ยวข้องกับใจของเราสดสดร้อนรน่ะเช่นอย่างลมในหายใจเข้าหายใจออกในปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นการศึกษาของจริงถ้าเราไปศึกษาของปลอมอการจะศึกษาของจริงก็ตามการจะศึกษาของปลอมก็ตามมันก็ไม่พ้นการใช้สัญญาสัญญาเอาเอ า, เอาสัญญาไปจับเช่นอย่างเรากำนั่งกําหนด เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังสิ่งที่เป็นความหมายปรากฏในความรู้ของเราก็คือสัญญาเอาสัญญานี่แหละพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันเราพิจารณาเพื่อทําลายการยึดมั่นถือมั่นในกายนี้นี่คือวิธีทําลายวิธีมั่งกายวิธีทําลายกาย ทำลายแบบนี้หลวงปู่ลุยสันวมามังกายมังกายวิชามังกายก็คือมาพิจารณาดูตามภาวะความมีจริงเป็นจริงของมันอยู่อย่างนี้ไม่งั้นไอ้กายรูปไอ้นมามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยมันจะเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกัน <c oughs> เราก็ลองยึดถือว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเราเพราะว่าความรั้งเดิมที่แท้จริงกิเลสมันก็พาเรายึดเราถือมาอยู่อย่างนี้เรามาฝึกฝนอบรมเพื่อ เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเท่าทันสภาวะต่างๆของธรรมเหล่านี้จนเป็นที่ยอมรับประจักษ์ใจเนี่ยเราก็ศึกษาเงี้ยศึกษาไปจนยานาฏศนะเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนเราทำเหตุให้พอถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราทำเหตุไม่พอก็จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับใครก็ไม่สงสัยจะทราบในหัวใจของของดวงนั้นดวงใจดวงนั้นนความรู้ความเห็นชัดเจนแจม่มแจ้ง เกิดขึ้นในนั้นเราจะอ๋อขึ้นมาทันทีอ๋อขึ้นมาทันทีแต่ก็ต้องผ่านการขับเคี่ยวกว่าจะได้ที่กว่าจะได้ที่กว่าจะผลิตสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์ทําให้เราปักใจหมายเชื่ออย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นว่าโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ประจําโลกแท้ นี่เราก็พิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาดินน้ําลมไฟนี่มันก็อยู่มีอยู่ในหลักมาสฐิปิปทานเท่งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาเราไม่สงสัยคือไม่สงสัยเรื่องที่เราจะเอามาพิจารณาแต่อย่าพิจารณานอกเหนือไปจากกายนี้ไปจากใจนี้ไปพิจารณาเรื่องนู้นเรื่องนู้นเรื่องนู้นเรื่องอยู่นอกตัวเราเนี่ยผิดทั้งหมดไปพิจารณารูปปณิมิตที่นู่นที่นู่นที่นู่นเป็นนู่นเป็นนั่นไปพิจารณาพิจารณาออกนอก นอกลูก่นอกทางนอกวงจรของกายของใจของเราในปัจจุบันชวนแต่จะทําให้เราลุ่มหลงนะมันชวนให้เราลุ่มหลงถ้าพิจารณานอกเหนือไปจากกายนี้นอกเหนือไปจากจิตนี้นะพิจารณาผิดทางแล้วเราพิจารณาเวทนาก็คือพิจารณาอยู่ในอาการของจิตเวทนานี้เป็นอาการของจิตสัญญาเป็นอาการของจิต คือผู้รู้ ส, สังขา เ, เป็นอาการของจิตวิญญา เ, เป็นอาการของจิตแต่ไม่ใช่จิตแท้จิตแท้คือผู้รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาการมีไว้สลับเชื่อมประสานรูปธรรมกับนามธรรมาได้ทางานสัมผัสสัมพันธ์กันให้ได้รับความสะดวกสบายเพื่อเสพสุขไปที่ใจน เ, น, เ, เ, น, เ น, ใจ น, นี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือมันกิเลสมันอยู่ที่ใจมันมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อที่จะไปดูนุ่นเพื่อที่จะไปเห็นนี่เพื่อที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์นั้นสัมผัสสัมพัส น, นี้แล้วก็เสพสุขเข้าไปที่ใจจริงต่างๆเหล่านี้กลายเป็นแค่เพียงสะพานเชื่อมเชื่อมไปหาจิตเพื่อเอาความสุขเสพสุขไปที่จิตเท่านั้นเองถ้าดีใจมันก็เสพสุขเข้าไปถ้าไม่ดีใจไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสยัยเป็นเรื่องขัดขอ้องอ มันก็ผลักออกมาทั้งผลักออกมาทั้งดูดเข้าไปมันก็ตัวตันหาตัวเดียวกันตัวตันหาตัวเดียวกันนี่วิธีการทํางานของมันมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่อย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอาการของจิตอาการของจิตต่างๆเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจว่าเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหากมีขณะจิตขณะใดขณะหนึ่งะ มันจะมาเตือนมาส ก, กิดมาบอกเราจนได้หละโอ้สังขารโอ้สัญญาอ้อวิญญาณวิญญาณคืออะไรไม่ใช่เป็นดวงดวงลอยอยู่ในอากาศไม่ใช่วิญญาณตัวนี้คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ตาไปสัมผัสกับรูปเกิดความรู้รู้ขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณวิญญาณอันนี้เป็นวิญญาณนัขันเป็นอาการของจิตไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริง เป็นแค่อาการอาการของมันเท่านั้นเองเราดูให้เห็นว่ามันมีตัวที่เป็นประธานมันมีตัวที่เป็นอาการเมื่อกิเลสมีอาการต่างๆเหล่านี้ก็มีมีอะไรมีผู้ยึดถือว่าเวทนาเราว่าสัญญาเราว่าสังขารเราว่าวิญญาณเราเมื่อมีความรู้สึกทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็มีการยึดว่า มีเราเป็นเราเ น, นี่ยมันมีการยึดการถืออยู่อย่างนี้เจ้าตัวการของมันก็คือความอยากนั่นแหละความอยากมันเป็นสมุดไทยอยู่ภายในจิตซึ่งเราก็พูดซ้ำซากอยากให้เราเข้าใจตรงนี้เพื่อเราจะได้จับหลักได้เราจับหลักได้อย่างใดอย่างหนึ่งเราไปพิจารณาแล้วมันจะแตกแขนงกระจายไปเป็นวงกว้างออกไปทำให้เราเข้าใจสาวันนี้ไปสาวไปสาไปอ้าว ให้ตัวเดียวกันสาวอันนั้นไปสาวไปสาวไปโอ้ใช่อันเดียวกันมันจะไม่อันเดียวกันยังไงก็เพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมสาวไปสาวไปสาวไปตรงไหนมันก็ไปพบเป็นวงจรไปไปจดกันหมดเหมือนขั้วบวกขั้วลบนั่นแหละสาวไปสาวไปโอ้ขั้วบวกสาวไปสาวไปโอ้ขั้วลบมันก็มีภาวะอยู่อย่างนี้แล้วก็ศึกษาอยู่อย่างนี้เราต้องให้โอกาสให้เวลา กับการตั้งอกตั้งใจให้มากเพราะนี่เป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกซ้อมเป็นแบบทดสอบเป็นการสอบซ้อมฝึกซ้อมทดสอบอย่อนงี้แหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้พูดมากท่านบอกว่าเอา้าไปภาวนาพุโทโธพุโทโธเมื่อเราจับได้เราก็ไปฝึกตรงนี้แหละทำแบบฝึกหัดตอนนี้แทแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีก ทำไปทำไปสงบสงบก็คือสงบไม่สงบก็คือไม่สงบแต่เป้าประสงค์นั้นทำจนสงบนี่เราต้องใช้ความภาคเพียรมากน้อยสักเราต้องรู้จักผลสั้นผลยาวคร่าเคร่งขนาดไหนถึงจะพอดีกับจริตนิสัยของเราเราต้องตั้งใจเพราะทุกคนเนี่ยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนกันแต่มันเป็นของที่ซื้อหาเอาไม่ได้เป็นของที่ต้องทาเอาอาศัยความ ช, นชนานิชานาญ นะอาศัยเรียวแรงรูปธรรมกับนามธรรมมาทําทงานประสานกันอาศัยเวล่าเวลาอาศัยช่วงะระหว่างกิริยาอาการรูปธรรมกับนมามธรรมสัมผัสกันยบยับยับยั บ, ยบยกความรู้สึกขึ้นมาทั้งความรู้สึกที่กายทำความรู้สึกอยู่อ ย, อยู่ที่รูปธรรมทั้งความรู้สึกอยู่ที่นามธรรมอาศัยความรู้สึกตัวนี้เป็นตัวเด่นชัด เพื่อจะทําให้งานของเรานะมีผลงานขึ้นมาคือตัวสติเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสติในขณะที่จิตเราอยู่เราก็มีสติแน่นหนามันคงเราก็ดูไปอ๋อสติของเราอยู่จิตของเราไม่ไปไหนอยู่เพราะอยู่ด้วยอํานาจของสติผู้รู้ที่เด่นชัดที่สุดนั่นแหละท่านเรียกอีกอาการหนึ่งท่านเรียกว่าสติสติสติก็เกิดขึ้นจากจิตนั่นแหล ะ, ะเกิดขึ้นจากติดอาศัยอารมณ์อันเดียวกันกันกบจิต อาศัยอารมณ์ันเดียวเกิดขึ้นอารมณ์ันเดียวกันดับไปกับอารมณ์มันเดียวกันนี่สติความระลึกได้ระลึกได้คือผู้รู้เป็นของอาสั์เป็นของแปลกมีอยู่ในกายนี้แต่เราจับเราต้องไม่ได้เราสัมผัสสัมพั์ไม่ได้แต่เพียงแต่เรา ร, รู้รู้บางทีเรากำหนดบางการบางคราวโอ้มันเป็นของลึกลับจริงๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพั์กับกายของเรา พยายามนั่งกำหนดย้อนลึกเข้าไปใคร่ครวนเข้าไปวิจารณ์วิจัยไข้เข้าไปาธรรมวิจยะสอดส่องเข้าไปเห็นไหมเหลูกบูชาท่านนั่งสอดส่องนะท่านนั่งสอดส่องท่านนั่งโยนิโสท่านนั่งใคร่ครวนนั่งวิจารณ์วิจัยธรรม มเจ็บมันปวดเราก็เอาความเจ็บความปวดนี่แหละเป็นเครื่องเล่นดูไปที่ความปวดนั่นแหละหัดดูหัดพิจารณาเวทนาถ้าเราไม่หัดพิจารณาเวทนาเราจะนั่งไม่ทนถ้าหากเรานะหัดพิจารณาเวทนามันอาศัยเวทนาเป็นตัวท้าทายอ่าเครื่องชั่วโมงผ่านไปเริ่มปวดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปปวดเหลืออดเลือล้อออดทนเอาผู้รู้ของเราไปจิ้มอยู่ที่ปวดปวดนั่นแหละนะ ถามถ้าเราใช้สูตรลุงปุรีอ่ะท่านให้ถามท่านให้ถามอะไรปวดถามว่าอะไรปวดกายปวดหรือใจปวดหรือเวทนาปวด <S <S สูตรของลุงปุรีท่านให้ถามการพิจารณาท่านมักจะให้ถาม <S <S จิตของเราของเราจิตของเราไปติบตันกับอะไรท่านให้ถามลองถามลองดูแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตลองถามลองดู โดยปกติของจิตมันชอบสอดรู้สอดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมันเองมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นจิตชอบสอดรู้สอดเห็นในเมื่อตัวมันเองมันตั้งประเด็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ชอบสอดรู้สอดเห็นมันก็เสาะไปเสาะมาเสาะมาเสาะไปมันค้นคว้าเองเมื่อกับว่าเราตั้งโปรแกรมเอาไว้มันค้นคว้าเข้ามันเองในที่สุดก็อ้าวเจอแล้วอที่เราตั้งความสังเกตสงสัยเอาไว้มันค้นค้นคเจอื ที่ครูบาอาจารย์วิธีนี้เป็นวิธีทําให้เราทําให้จิตของเราเนี่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดความรู้เพื่อเกิดปัญญายกหนึ่งหมดไปแล้วก็ต่อยกที่สองไปหมดยกที่สองต่อยกที่สามต่อไปเลยหมดยกต่อหมดยกต่อหมดยกต่อไม่ใช่ไม่ใช่หมดยกเลิก ไม่ใช่หมดยกต่อหมดยกต่อถ้าเราตั้งความดำดิอยู่อย่างนี้เราสามารถทําได้ระยะยาวถึงจะเจ็บจะปวดอาจจะพลิกเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ศึกษาตอนนั้นแหละในขณะที่เราพลิกเราเปลี่ยนนั่นแหละไม่ปล่อยจิตไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยสัมผชัญญะทำความรู้เท่าฐานค่อยพลิกค่อยเปลี่ยนสังเกตดูใจของตัวเองอค่อยสังเกตค่อยดูว่าอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาตอนนั้นตรงนั้น ถ้าเราถ้าเราใช้บทพิสูจน์ทดสอบกับความเจ็บกับความปวดอย่างนี้มันจะชวนทําให้เรานี่นั่งภาวนาได้นานนั่งนั่งเข้านั่งได้นั่งได้ครึ่งคืนนั่งได้ทั้งคืนแล้วก็ความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจต่อสู้นั่งดูนั่งกําหนดดูนั่งพิจารณาดูพิจารณาดู จนจนมีความรู้จนมีภูมิรู้มาต่อเนื่องให้เรามาสืบเนื่องให้เรามาอนุสันติต่อสืบช่วงให้กับเราอตอนนั้นเราก็เราก็เริ่มมีกำลังเริ่มมีกาลังเมื่อมีกำลังเราก็ดูดูเฉยไปดูเฉยไปดูเห็นเป็นอื่นไปกายของเราเห็นเป็นอื่นไปเจ็บก็สักที่ไปเจ็บ ปวดก็สักเท่ว่าปวดไปไม่มีเราเข้าไปเจ็บไม่มีเราเข้าไปปวดนี่มันก็อยู่ได้แหละในเมื่อไม่มีเจ้าตัวเจ้าตัวจอบมันเข้าไปจับจองแล้วมันก็ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครไปเป็นเจ้าของมันแหละอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เปัญญาที่แท้จริงก็ค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นเริ่มชัดเจนขึ้นเริ่มชัดเจนขึ้นหัดพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละ เหนื่อยเมื่อยล้าเหนื่อยเมื่อยล้าพลิกเปลี่ยนมากำหนดให้อยู่กับความสงบกำหนดอยู่กับความสงบไม่ต้องไม่ต้องทรงจิตไปแต่ถ้ายังมีกำลังอยู่ก็ทรงพิจารณาไปหากได้ผลมันก็เพิ่มพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบ ร, รมปัญญามันเกื้อนหนุนกันไปเรื่อยๆหรือเราต้องการเพิ่มกำลังแล้วก็น้อมเข้ามาเพื่อความสงบอย่างเดียว ทำความสงบอยู่อย่างนั้นเวลาต้องการพิจารณากับพิจารณายืดไปเกี่ยวกับเรื่องธาตุาเรื่องขันนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานเราดูให้เข้าใจอันนี้เป็นวงจรในการพิจารณาในการทํางานของเราเราเรามาตรงนี้เรามาทำกลางงานาไม่ชวนให้เราเขว้ไม่ชวนให้เราออกนอกรูนอกทาง มีเป็นหลักเป็นเป็นสมรภูมิเป็นที่สู้รบกันระหว่างทำกับกิเลสเราเข้าใจเราทราบอย่างนี้เราก็พยายามจับตรงนี้แหละดูดูเรื่อยเกิดขึ้นมาก็ดูพิจารณาเข้าไปพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาจนเห็นความอยากพิจารณาจนเห็นผู้อยากพิจารณานจนเห็นอาการกิเลสที่มันแสดงออกจนสติปัญญาเราจับได้ เราจับได้มันก็เริ่มเข็ดลาบแนหะเริ่มจับได้มันก็เริ่มเข็ดลาบมันจะโโลรตัวมาช้าขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นแต่ถ้าหากเราตามมันไม่ทันไม่เห็นหน้าเห็นตาของมันมัน <c oughs> มันออกมาทำงานตลอดสืบต่อเนื่องกันเรื่องของกิริยาการของความอยากของกิเลสนั่นแหละมันออกมาแสดงกิริยาการไม่จบไ ม, ไม่รู้จักจบผลที่ตามมาก็ทาให้เราเพลินเพลินไปกับสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์นั่นแหละ ท, นนทุกเพราะไปยึดน้นเพราะทุกเพราะไปยุดนี้ยึดอย่างหนึ่งก็คือดึงเข้ามายึดอย่างหนึ่งก็คือผลักออกไปนี่มันมีอยู่แค่นี้แหละผลที่เราได้ก็คือเสียใจก็คือดีใจดีใจก็ลมลมแรงแรงเสียใจก็ลมล ม, ลมแรงแรงเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสแท้จริงเราควรจะบุกเข้าไปให้เห็นให้รู้ให้เห็นเหตุปัจจัยของมัน <c oughs> มันคืออะไรมันเป็นอะไรกันแน่นี่อุาบายพิจรารณาจำเพาะหน้า ลงตาท่านว่าธรรมเพชฌฆาตธรรมะเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นธรรมเพชฌฆาตเพราะถ้าใครเข้าไปหมุนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยกิเลสมันกลัวเหมือนดาบเพชรแก ว, งแวบบ่งแวบแวบแวบแวบเนี่ยกิเลสมันหดหัวแล้วมันถูกมันกลัวหัวขาดอืมันก็หมอบลงนนนเนลยธรรมเพชฌฆาตมัดมือชกเรามาทำกลางเรามาทำกลางงาน ม, มาทำกลางกออ ง, งาน บุกเข้ามาทำกลางกองงานทำงานตรงนี้ได้จะทำให้เราเห็นความอัศจรรย์ในใจเร็วลองทำลองตั้งใจทำ ภาวนาไป <c oughs> ได้ประสบการณ์อะไรแล้วค่อยค่อยมาคุยกันต่อนางภาวนามูกำลังสงบอยู่รเสียงยังไม่เสียงกระตุกนะเสียงกระตุกเสียเนะเสียงเหมือนเหมือนกับเป็นคลื่นนะ่ะแทก อย่าทำเสียงเวลานั่งภาวนารวมกันต้องระวังเรื่องเสียงเห <c oughs> มือนเป็นคลื่นเลยนะแทกทำทำให้ตื่นตื่นดีก็ดีตื่นไม่ดี กลายเป็นคนหลงลืมไปเลยอ่ะต้องระวังด้วยทนไหมทนปวดไหมใครทนปวดไม่พลิกเลยมีไห ม, หมใครทนปวดไม่พลิกเลย สูมันแหะ <c oughs> เพิ่มให้มันเรื่อยขยับไปอีกตั้งไปอีกอตั้งไปอีกยกตั้งไปอีกยกตั้งไปอีกยกตั้งอยู่อย่างเงี้ยทำได้ทั้งคืนเจ็บมากทนลําบากดูมันเพ่งมัน เพ่งคือทำอยังไงเพ่งฮะเพ่งก็คือเอาใจไปดูเอาอะไรไปดูเอาใจหรือเอาสติหรือเอาปัญญาหรือเอาอะไรก็อเอาผู้รู้และไปดูไปดูไปดูที่มันเจ็บมันปวดเนะ่ะเราจะว่าอะไรเราจะว่าอะไรให้มันตรงกับความจริง จะว่าเพ่งเราจะว่ากําหนดเราจะว่าอะไรก็คืออันนั้นแหละไอ้ที่มันเอาผู้รู้เอาไปกําหนดจดจอดูนั่นแหะแล้วคลี่คลายดูเราจะว่าอะไรเราอย่าไปติดคําพูดก็แล้วกันอมาติดคําพูดคําว่าเพ่งเพ่งและเกิดความรู้สึกว่าเสียอเพราะมีครูบาอาจารย์ เคยบอกว่าถ้าเพ่งเนี่ยจะเสียมีดูให้ดีเราดูของจริงที่เราประกฏอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเราอย่าไปติดคำย่างงั้นพยายามใช้คำพูดให้ถูก ผู้รู้ไปดูเอาผู้รู้ไปคลี่คลายเอาผู้รู้ไปแยกแยะจะให้มันไปอยู่เฉยๆมันไม่อยู่ดอกมันก็แยกแยะอะไรของมันน่ะแหละมันก็พิจารณาของมันคลี่คลายของมันน่ะแหละอันนี้หมายความว่ามันมีสติอยู่กับตัวนะนี่เป็นสัมมาสมาธิมันไม่ มันไม่ได้ไปจออยู่เฉยๆดูที่เราดูของจริงเลที่มันม่อยู่ในใจที่เราประสบน่ะเป็นยังไงมันเป็นการคน้นเป็นการเป็นการคน้นเป็นการแยกแยะมันเป็นการวิจัยถอยกลับไปถอยกลับมาอยู่นั่นน่ะมันยังไม่มีผลอะไรปรากฏ สืบเนื่องไปอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นน่ะกำหนดจดจออยู่อย่างนั้นน่ะเอา้ามีอะไรคุยกันได้แหละตอนนี้ฮะมีอะไรคุยกันได้ เดี๋ยวให้จันมณะช่วยตอบเมเบอร์ดูก่อนเฮ้ยเขียนบางทีก็อ่านไม่ออกยเยอะเกินไปจะทราบได้อย่างไรว่าจิตไม่ตั้งมั่นมีข้อสังเกตอย่างไรมีใครที่นั่งมาผ่านมาเมื่อกี้นี่มีใครมีจิตตั้งมั่นไหมยกมือ เดี๋ยวให้ผู้มีจิตตั้งมัน่นอธิบายให้ฟัง อ, อธิบายให้ฟังเอาเอาไม้ไปให้อธิบายให้กับผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมัน่น ใ, ให้ได้ยินได้ฟังดูอืมเอาจิตตั้งมัน่นนี่เขาบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าจิตไม่ตั้งมัน่นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นนี่ ก็สามารถทราบได้ผู้มีจิตตั้งมั่นก็สามารถทราบได้มีข้อสังเกตอย่างไรเอาลองดูเอาลองให้ความเห็นกับโมดูเป็นกิ จ, จกรรมเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เอาลองดูหลายหลายคนหลายู้บายหลายวิธีหลายแง่มุม เอาลองดูท is so ีใครทีเขาบ้างทีเราบ้างเอาก็อธิบายไม่ค่อยถูกครับเห็นแต่รู้ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่จิตไม่ตั้งมั่นนะฮะก็เลยรู้ว่าจิตตั้งมั่นอธิบายได้แค่นี้เหรอทีตอนตั้งมั่นก็ก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็สงบแล้วรู้อยู่ตรงนั้นนะครับมันสงบมันรู้อยู่มันต้องมีสติกำกับกำหนด พร้อมอยู่มันพร้อมตัวที่จะทำงานอยู่นี่คือจิตตั้งมั่นนี่คือสมาธิมันมันอยู่อ่ะมันอยู่แล้วมันแนบแน่นมันตั้งมั่นมันพร้อมเหมือนอะไรมันเหมือนกับธนูมันพร้อมที่จะปล่อยเนี่ยยืดไว้แล้วนะพร้อมที่จะปล่อยถ้าเราขยับไปทำงานตรงไหนตรงไหนมันก็พร้อมที่จะไปคลี่คลายแยกเยอะนี่คือความสงบเพราะฉะนั้นความสงบอันนี้มันเกื้อกูลกับงานที่เราทาเนี่ย เอาผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นเะลองอธิบายฟังดูมีสังเกตยังไงอะ่ะทำไมจึงรู้ว่าไม่ตั้งมั่นือฮะลองว่าดูเอาเมื่อกี้เห็นมียกมือคนเดียวเนอกนะ่าแสดงว่าไม่ตั้งมั่นใช่ไหมฮะ อ, อธิบายกันฟังดูเอาเอาไม่ตั้งมั่น ที่ที่ว่าไม่ตั้งมั่นนะครับก็คือพยายามท่องฟุตโทะฮะตามที่พระอาจารย์บอกนะฮะแต่คราวนี้ก็ต้องต่อสู้กับเวทนานะฮะเวทนาเนี่ยที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์มณะบอกสู้สู้ไปสู้มาเนี่ยยังยังยังไม่แข็งพอะฮะไม่ไม่ได้ยาวพอก็เลยคิดว่ามันยังไม่ตั้งมั่นพอนะ แต่ก็พยายามให้ยาวขึ้นเรื่อยๆออก็ถูกท่านนี้ก็ทราบได้ก็อธิบายได้ใช่ไหมผู้ตั้งมั่นก็อธิบายได้ผู้ไม่ตั้งมั่นก็อธิบายได้รบกวนสอบถามเวลานั่งสมาธิแล้วจะมีอาการปวดศีรษะจะมีอาการปวดศีรษะ ตรงระหว่างคิ้วหลังจากเลิกนั่งก็จะปวดบางครั้งจะปวดอย่างนี้สองวันเลยภาวนาคือพุทโธดูลมหายใจเจ้าค่ะลมหายใจถ้าเราปล่อย หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติโดยที่เราไม่บังคับนี่อมันไม่เป็นถ้าบังคับนี่เป็นนะบางคนมีมีนิสัยเกรงปวดหัวปวดอะไรนี่เปลี่ยนได้มีได้เป็นได้อือย่าอย่าไปเกรงปล่อยเอาจิตเอาจิตตัวที่ละเอียดนะ เ, ปเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ว่าพุโทโธพุโทโธอย่าไปอย่าไปตั้งใจว่า มันจะเป็นการเกร่งเสร็จ แ, แล้วก็ปัญหาข้างเคียงอย่างอื่นก็ให้เจ้าของสังเกตเองหรือโทษเจ้ากรรมนายเวรมาทำอีกแล้วเราดูสุขภาพร่างกายของเราบางทีก็จะแตกต่างกันเราดู ข้างเคียงสาเหตุข้างเคียงอย่างอื่นที่มีในตัวเราที่เราเคยเท่าเท่าที่เคยสังเกตเราก็สังเกตมันไม่มีอ่ะที่ใครจะมาคอยบีบขมับเราไม่มีแล้วนอกจากว่าสุขภาพของเราอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้บางทีเรากำหนดจดจอ่อเคยปล่อยจิตสบายๆไปอย่างอื่นมันก็เลยสบายเบาสบายไปไม่มีอะไรพอเวลาเรา เหมือนกับบังคับมาเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับบังคับนั่นแหละเหมือนกาหนดจดจอบังคับมามัก็รู้สึกปวดอ่ะแต่บางทีบางทีเราก็กาหนดจอไปไอ้ตรงที่ปวดหายนะอะนี่อาจจะมีหลายคนเคยกาหนดจดจอไปแล้วหายเคยกาหนดจดจอไปหายปวดหัวนี่แหละ นอนจากำหนดตรงไปตรงที่มันปวดน่หายหอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้มันคลายมันดูเหมือนมันคลายมันก็จายไปเลยเรากำหนดพุดโทโธลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เราปล่อยตามธรรมชาติ ยังไงจะธรรมชาติที่สุดเราก็ปล่อยมันจะไม่มีการเกร่งเนื้อเกร่งตัวเกร่งอะไรถ้านั่งกับท่านั่งต้องต้องนั่งสบายๆไม่ให้ไม่ให้บางทีก็บางทีก็อะไรเนี่ยบางทีกับเม้มลูกกระตาเหมือนกับตั้งท่าอะไรต่ออะไรโอ้มันนั่งปลอยตามสบายปน่ลอยตามสบายบางทีเราไปเกร่งไป บ, งบังคับเส้นประสาทบางส่วนมันก็ ทำให้เราเจ็บปวดได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่ามีอย่างอื่นมาทําอย่าเพิ่งไปคิดอันนั้นมาทําอันนี้มาทํากรรมมาตามบีบ <c oughs> เราก็ว่าไปไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราอย่าไปว่ามันเรามาว่าไอสิ่งพยายามคลี่คลายไอตัวที่มันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมันเป็นรูปรูปธรรมเหมือนกันเนี่ยเราพยายามมาตามคลี่คลายดูอันนี้ ถ้าหากเราเกิดอาการคันศีรษะอะไรคันศีรษะถ้าหากเกิดอาการคันศีรษะใช่ไหมมากมา ก, มากขณะนั่งสมาธิอาจเกิดจากการนอนไม่พออาจเกิดจากการนอนไม่พอ ต่อเนื่องมาสองสามวันเราสามารถเปลี่ยนจากการภาวนาพุทธมาเป็นพิจรารณากายได้ไหมคะนอกจากเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแล้วเราสามารถทำได้ทุกอิริยาบทน่ะแหละ ว, ว่าแต่เราไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยสติไม่ปล่อย ไม่ไม่ปล่อยจิตให้ลองลอยไปตามไปตามเรื่องเหมือนอย่างที่เราเคยปล่อยอคันบางทีมันก็มียุงมีอะไรมาบางทีมีมีมดบางทีมันกวนจริงๆเราก็ปัดมันออกไปแก้ไขปัญหาให้มันให้มันจบเร็วไม่ต้องไปทนอปัดออกไปไล่ออกไปไกลแต่ถ้าเป็นยุงเราก็ไม่ต้องปัดทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งพอเข้าอิ่มแล้วมันก็จะหยุดนะ ก็ดูดสหน่อยก็อิ่มอิ่มแล้วก็หยุดแล้วบินไปแล้วไม่มาแล้วถ้าสองสาตัวเราก็อาจจะเจ็บสองสาครั้งก็พอแล้วแหละใช่ไหมมันคงไม่มากลัวอีกแล้วอิ่มไปหลายวัน <c oughs> อยู่ที่วัดเนี่ยไม่มีที่นั่งอย่างนี้โอ้ยยุงเข้าได้ทุกทิศทุกทางแต่เขาใช้วิธีเอาอะไรไปทานเนี่ยไอ้ตะ ไ, ไข้อะไรไปทา อบางครั้งบางครั้งก็ลืมทาบางครั้งก็ไม่ได้ทาบางครั้งก็ไม่มีทานั่งให้มันจ่ออยู่นั่นแหละนั่งให้มันจ่ออยู่นั่นแหละสักหน่อยหนึ่งหมดไอ้ที่มันหมดเพราะเรามันอิ่มไปหมดแล้ว <c oughs> มันอิ่มมันบินออกไปหมดแล้วตอนตอน้ตนๆเรานั่งเนี่ยเยอะจริงๆอยุงคนะ่ะพอหลังจากปล่อยเขาเจาอสักหน่อยหนึ่งหายเงียบไปไหนหายไปหมดอิ่มแล้วกลับที่นอนมันแล้ว ปัญหาสารพัดเหล่านี้เราแก้เราแก้เราจะได้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่จิตที่แท้จริงอะไรคือปัญหาที่มันเกี่ยวกับเรื่องกายเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับนู้นกับนี่กับอะไรอย่างที่เราคุยคุยกันนี่แหละเราก็แก้ควรจะแก้แบบแบบไหนได้เราก็แก้ไปถ้าเราจะแก้แบบเรานั่งสู้เราก็แก้ไปสมมัอเราเคยนั่งต่อสู้เวทนาพยุงมาเจาะ บางตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่เจาะเฉยๆนะโอ้โหทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเจ็บทั้งแส บ, ท, บทั้งคันทั้งอะไรอนะมันชวนดึงออกเลยเกินนะแต่ด้วยเหตุที่เรานั่งกําหนดพิจารณาดูมันสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็หมดพอตอนนี้หมดไปอา้าวตอนนี้อีกแล้วพอตอนนี้หมดไปตอนนี้บางทีสี่ตัวห้าตัวมันเจาะแต่บางตัวเจาะเจาะเงียบเฉยไม่มีเห็นแต่ตอนเขาบินไปเต็มแล้วเต็มเต็ม ทองเขาแล้วบางตัวไม่เจ็บแต่บางตัวโอ้ยยาวๆเราแทางจึกลงไปนี่ทั้งขันทั้งแสบแบบนี้ถ้าเราเห็นจังๆเราก็เราก็ไล่เขาออกไปเราก็ไล่เขาออกไปแต่ถ้าเราต้องตั้งใจจะสู้เราก็ต้องสู้มันก็มีอยู่ยังไงเราไม่ปล่อยจิตของเราให้คิดคิดออกนอกเรื่องนอกศีล น, นอกธรรมนี่เราก็สามารถทําได้ เพราะปัญหามันมีทั้งปัญหาข้างในจริงๆมันมีทั้งปัญหาข้างนอกเราก็แก้ไขกันไปอแต่ถ้าหากเรานั่งในที่สบายๆจนเกินไปที่นั่งก็นิ่มๆนุม่มๆลุกๆอะ่ะแล้วก็มีม้งลวดอย่างดีมีแอร์อย่างดีอะไรอย่างดีโอ้ยสุขสบายเหลือเกินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเงียบคลอกไปเลย <laughs> สังเกต ด, ดูให้ดีสังเกต ด, ดูให้ดี ถ้าเราได้นั่งแข็งๆซะหน่อยหนึ่งรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มันมันไม่โยนตัวจนเกินไปอย่างนี้จะสนีิยขนาเนี้ยสะดวกพอดีเนี่ยถ้าหนาเกินนี้ไม่สะดวกแล้วหนาขนาดนี้เนี่ยนหนาขนาดนี้ถ้ า, ion, ถ, า, า, ถ, าถ้าไม่แน่นถ้าเนื้อไม่แน่นเนื้อหลวมๆเ่ยถ้าเป็นเรานะปวดหลังไปเจ็ดวันเนี่ยนั่งแบบนี้เนี่หนาห น, นาแบบเนี้มันโครงเคลงโครงเคล ง, งเคด เ, เลยแหละ ขึ้นสวดปฏิโมก์วันตาดเนี่ยปวดหลังเป็นอาทิตย์อทิตย์เลยนะเนื่องจากเรานั่งอมันคร่องเคร่งเหมือนนั่งอยู่มันต้องไปตัดไม้อาจไปยัดให้มันแข็งมูได้ใช้จนทุกวันเนี่ย<ม>คือมันเกินพอดีของมันมันเกินพอดีของมันร่างกายเคยกดเคยเคยยันเคยอะไรตามปกติมันไม่ปกติมางที่มัน ค, คล่องแรงเหมือนก็ลอยอยู่อยู่ท่ามกลางอากาศ นะมีปัญหาแค่นี้เองจิตตั้งมัน่นคือจิตที่มีสติมีสัมปชัญญะพร้อมอยู่ในนั้นมันจะรู้สึกแนบแน่นพร้อมพร้อมอยู่มันไม่ใช่คำเคลิมหลับแล้วไม่หลับแล้วมันไม่ใช่คือจิตมันอยู่นั่นแหละ จิตตั้งมั่นเนื่องจากว่าเราสงบแล้วสงบอีกสงบแล้วสงบอีกทําแล้วทําอีกกํากับแล้วกากับอีกบริกรรมแล้วบริกรรมอีกอยู่นั่นแหละจนมันอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ใช่หนึ่งวันไม่ใช่หนึ่งเดือนไม่ใช่หนึ่งปีอาจจะ2ปีสมปีสปีห้าปีสิปีปปอัดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะแนบแน่นมันเคยตัวมันเคยตัวมันแนบแน่นมัน่นคงหรือบางการบางคราวที่เราทำอะไรเราไม่ได้สะสมมาถึงขนาดนั้นก็ตามแต่ว่ามันมันสมเหมาะพอดี อากาศเย็นสบายที่นั่งก็พอดีอะไรก็พอดีร่างกายก็ไม่กดไม่ทับไม่อะไรสุขภาพผิวอะไรตัวอะไรก็ไม่มีอะไรมากลัวเรานั่งปั๊บมันก็รู้สึกสงบยื่อเยื่อเย็นดิง้งลงไปแน่นอึง้งตึ้งทันทีหลยหดิง้งแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่ประศิจจากผู้รู้มันจะมีผู้รู้กํากับอยู่แต่ถ้าประศิจจากผู้รู้กํากับอยู่ก็คือหลับ แบบนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ไม่มีผลในในทางเอาไปพิจารณาเพราะเพราะมันเข้าพวังไปเลยจิตมันเข้าเข้าเงียบเงียบไปเลยหรือบางทีมันไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยชัดไอ้ที่ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยชัดเราไม่เอาเราพยายามจับไอ้ที่มันเด่นเด่นชัดชดไอต้ต้องเจ็บต้องปวดตรงอะไรเนี่ยอันนี้แหละมันชัดดีดูจังจังสดสดร้อนร้อนี่แหละดี เพราะฉะนั้นถ้าใครถนัดกับเกี่ยวกับการอยู่กับเวทนาพิจารณาเวทนาต่อสู้กับเวทนานี่มันจะชินกับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทางมันสิจักมันประสิจักมันเลื่อนๆจางๆไปก็จะรู้ทันทีอจะรู้ทันทีรู้ทันทีว่ามันมันบังคับไม่ค่อยอยู่มันจะจางหายไปมันจะจางหายไปมันไม่ค่อยชัดจะเอามาพิจารณาจะเอามาดูอะไรให้มันชัดมันก็ไม่ชัด หรือบางทีมันสงบนิ่งอยู่ถ้าหากเต็มอัตราข้องมันก็คือมันมีผู้รู้โร่อยู่มันมีผู้รู้โร่อยู่ดิ่งอยูอ่ก็ดูแต่ที่ท่านบอกในหลักนะ่ะเหลือแต่อเอกกัคตากับอุเบกขาเนะี่ยที่ท่านท่านพูดถึงเอกกัคตากับอุเบกขาอุเบกขาวางเฉยแต่มีผู้รู้อยู่ในนั้น วางเฉยคำว่าวางเฉยก็คือไม่ได้ไม่ได้ขยับหน้าขยับดังไม่ไม่ได้ไม่ได้กระเพิ่มตัวบางอันเถอะมีผู้รู้ร่อยู่นี่นี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสำคัญอันนี้ถ้าเราพูดถ้าเราไล่ตามหลักก็คือเอกขตตาอุเบกขานี ah ่ยนี่เป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอารมณ์ของนู่นอชาญที่สี่นั่นน่ะลึกถึงขนาดนั้นน่ะ ทิ้งคำบริกรรมทิ้งอะไรไว้หมดแล้วแหละมันเข้าไปลึกถึงขนาดนั้นแต่ส่วนมากลุงตาท่านจะไม่ค่อยพูดอย่างนี้เรื่องเหล่านี้ท่านจะไม่ค่อยพูดอพูดเพราะพูดไปแล้วบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้แล้วก็บางคนก็ไปหมายเอาไปคาดไปเดาเอาท่านบอกว่าใครทําสงบขนาดไหนแค่ไหนควรสับเปลี่ยนพิจารณาให้พิจารณาอมันหากสงบละเอียดลึกเลึกไปความชัดเจนอะไรมันก็มันก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยอไม่ไม่งั้น ก็ก็ทําให้เรามีความคิดในใจว่าโอ้ยังไม่ละเอียดยังไม่ละเอียดลึกพอสมควรที่จะภาวนาที่จะพิจารณาเลยเราเราไปพิจารณาซสก่อนแต่ถ้าถึงขณะนี้แล้วท่านให้อยู่ท่านไม่ให้ไปทําไม่ให้ไปแตะปล่อยให้ก็อยู่เขาจะอยู่นานอยู่นานเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาอยู่แต่ในขณะนั้นเนี่ยเอามาทํางานไม่ได้ดอกแต่ถ้าถ้ายังไม่ถึงนั้นนะยังไม่ถึงนั้น เพียงแต่จิตสงบแนบแน่นตั้งมั่นไม่ไปไหนอยู่อยู่อยู่ทำงานทําการได้อันนี้ก็เอามาพิจารณาคลี่คลายแยกแยะทำมาเกลือมันยุกแย่เข้ามาไม่ได้ดเกลือมันแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะสติมันแน่นหนามันคงสติมันแน่นหนาะมันคงมันแทรกเข้ามาไม่ได้เอาตัวนี้เรามาพิจารณานี่ความสงบของจิตมันมีความสําคัญอย่างนี้ ไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาอย่างเดียวพลิกนุ่นพลิกนดดูนุ่นดูนี่พิจรารณา่ก็เป็นการเป็นคราวที่ท่านเรียกว่าใช้ปัญญาอุรมสมาธินี่ลูกตาท่านก็สอนมีมีสองแบบมีสองแบบแต่ถ้าหากไม่ให้ความสำคัญของความสงบของจิตเลยล้วไปพิจรารณาเอาพิจารณาเ้ยสมถะสมถะพิจรารณาวิปัสนาเลยดิตามดูกายตามดูเวทนา ตามดูยังไงแล้วไม่ไม่อธิบายให้ละเอียดก็เป็นเหตุให้ผู้ฟังนี่งงไปหมดไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็ไม่รู้เป็นไรตามพิจารณาไล่ดูอะไรเป็นดวงดวงไม่รู้ ท, ท, ทั้งๆที่จิิงต่างๆเหล่านั้นคืออะไรครับยังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันไปจากสัญญาที่เราคาดเราหมายเราดาวนี่แหละเราก็ดู ด, ดูดูไปจนเห็นตัวจริงที่มันเป็นจีตัวจริงก็คือสัญญาที่มันคาดมันดามันหมายเนี่ย ปัญญาที่แท้จริงมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนมากกว่านั้นอีกแต่ถ้ายังไม่เห็นก็แค่แค่สัญญาสัญญาสามารถพาหลอกเราได้สัญญาสัญญาเราเองเนี่ยมันหลอกเราได้นะมันหลอกเราได้มันสร้างภาพเองเราก็ตามตามเองตามไปตามม า, าก็หลงหลงสัญญาของตัวเอง อย่างที่ท่านเรียกว่าหลงหลงลงนิมิตลงนิมิตนะก็ไปอีอย่างนึ่งบางทีก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันบางทีบางคนก็เอาสัญญาแล้ไปว่าเป็นนิมิตอย่างนั้นก็มีกําหนดจดจ่อลงไปก็เห็นเห็นแต่รูปประสัญญาก็คิดว่าอันนั้นเป็นนิมิตแต่ถ้าเอามาพิจารณาในแง่ของธรรมก็ได้ก็ได้ประโยชน์อีกได้ประโยชน์มาพิจารณาในแง่ว่าไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงของมันดูในแง่ว่าเป็นทุกข์ ดูความตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ของมันดูความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้คาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นเหตุให้ผู้ฟังค้องใจสงสัยอ่าคือปกติจิตของเราเนี่ยมักจะพยายามบังคับตัวกายของเราจิตของเราสิ่งรอบข้างของเราเนี่ยให้คงที่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงที่ที่เรียกว่าไม่ให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขัง ให้เป็นสุขแล้วก็ให้เป็นนิจจังแล้วก็พยายามบีบบังคับด้วยเหตุที่บีบบังคับเท่าไหร่ก็ไม่ได้บีบบังคับเท่าไหร่ไม่ได้ภาวะอนั้นมันก็หากมีเป็นไปตามภาวะของมันมันไม่เป็นไปตามอํานาจของใจที่ไปบีบไปบังคับท่านยึงว่าอนัตตาอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้แต่พยายามไปบังคับบัญชามันก็ผิดหวังบังคับบัญชากี่ครั้งกับผิดหวังทุกครั้งก็นําทุกมาทุกครั้ง เอาความทุกมาทุกครั้งทิ่มแทงหัวใจของเราทุกครั้งอ่อันนี้หรือคือสาเหตุต้นต่อที่ทําให้เกิดความทุกข์ในหัวใจเราทราบเ ร, ทรบทราบตรงนี้เราก็ตามไปตามไปตามไปตามไปอืมตามไปตามไปดูความจริงของมันโดยไม่ไปคาดไม่ไปเดาก็เหมือนอย่างสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราสิ่งนั้นก็คือสิ่งรุ่นเราก็คือเรามันก็มีมันก็เปลี่ยนตามภาวะของมันอ มันก็มีมันก็เป็นตามภาวะของมันเราจะไปกะเกณให้มันเป็นอะไรอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือปัญจักันของเราเนี่แหละมันก็มีภาวะของมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่เราพยายามบีบบังคับให้เป็นไปตามใจหวังที่เราหวังเน่เรื่องของกิเลสมันหวังความหวังของมันน่มันหวังเข้าตัวเข้าข้างตัวทั้งนั้นหวังเข้าข้างตัวหวังแต่ อยากได้หวังแต่ให้สมหวังให้อยากได้ให้ประสบผลสําเร็จให้เป็นไปตามที่ใจวาดใจนึกใจคิดนี่กิเลสมันคาดมันเดามันดึงเอาอยางงั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รอบข้างตัวเรามันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันก็จะต้องเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของมันเราพยายามดูพยายามศึกษาย้อนไปดูเหตุดูปัจจัยของมันมันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ย ทราบเหตุทราบผลที่ชัดเจนทราบเหตุทราบผลที่แท้จริงของมันไม่ใช่เอาผลแล้วก็ไปทายเหตุผิดทายเหตุแล้วก็ไปเดาผลผิดการเดาผิดแบบนี้สมมุติเราปัจจุบันนี้เราได้รับความทุกข์ความทุกข์อันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปแก้ทั้งๆที่มันไม่ใช่เหตุมาจากสิ่งนั้นอาจจะมาจากสิ่งโน้น แต่แล้ก็พยายามไปแก้สิ่งนี้แก้เท่าไหร่มันก็ไม่แก้เท่าไหร่มันก็ไม่ถูกยิ่งแก้ก็เท่ากับยิ่งมัดยิ่งแก้ก็เท่ากับยิ่งมัดเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยนั่นแหละเราต้องการป้ายสีขาวเนี่ยเราเอาแปรงหรือภูกัรเนี่ยไปจุ่มสีดําแต่เราต้องการป้ายให้เป็นสีขาวเนี่ยในเมื่อเราจุ่มสีดําแล้วเนี่ยเวลาเราไปป้ายมันก็ต้องเป็นสีดํา แต่ความต้องการของเราเราต้องการให้เป็นสีขาวอันนี้หมายความว่าเหตุกับผลของเราเนี่เราเข้าใจไม่ตรงกันเหตุมันเป็นสีดำแต่ผลเราต้องการสีขาวความปรารถนาของกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราของท่านเนี่ยก็เช่นเดียวกันมันต้องการทำอะไรสารพัดตามใจชอบตามใจหวังที่มันหวังสารพัดมันสร้างความหวังสร้างความชอบใจสร้างความพอใจพอใจ มันทําตามใจชอบใจเข้ามัาแต่มันหวังอย่างเดียวคือความสุขความเจริญเนี่ยมันหวังเงี้ยมันเหมือนกับจุมสีดำน่ะแหละจุมสีดําเวลาไปไป้ายก็เป็นสีดําการที่เราจุมสีดําอันนี้คือการคือเหตุเวลาเราไปไป้ายผลของสีดํานี้มันก็ต้องเป็นสีดําที่เราปรารถนาให้เป็นสีขาวนั้นไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อันนี้คือความหวังของกิเลสเพราะฉะนั้นเราหวังสิ่งใดเราก็ผิดหวังกับสิ่งนั้นเราก็ประสบความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นวันทั้งวันเรานั่งรับกองทุกข์จากการที่เราเข้าใจผิดอย่างนี้ทุกระยะของจิตถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ศึกษาธรรมเนี่ยเราจะได้รับความทุกข์ตลอดเราอยู่เกี่ยวข้องกับบ้านกับช่องกับการกับงานกับบุตรธิดาสามีภรรยาเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปากคอก แล้วก็เกี่ยวข้องกับกำลังที่กำลังอธิบายฟังนี่พยายามพยายามจับให้ดีให้เป็นคนแม่นแม่นเหตุแม่นผลแม่นเหตุแม่นผลโอ้ผลอันนี้เกิดขึ้นแสดงว่าต้องมาจากอันนี้แน่นอน แ, แล้วก็แก้อันนี้ให้มันถูกแก้ให้ถูกถ้าแก้ไม่ถูกแทนที่จะเป็นการแก้เป็นการมัดมเหมือนอย่างมีความทุกใจเนี่ย บางคนมีความทุกข์บางมันไม่มีไม่มีไม่มีทางออกทุกข์ใจมากมาแทนที่จะหาสาเหตุที่ทําให้ให้ใจมันได้รับความทุกข์ไม่หาขับแคบหลือเกินโลกนี้ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือแก้ปัญหาไม่ถูกแก้ปัญหาคิดว่าคิดว่าไปแก้ที่กายแล้วจะถูกมันไม่ถูกเพราะกายมันไม่ได้ทุกข์นะมันใจมันทุกข์เนี่ยอันนี้คือการ ทายเหตุกับผลแก้เหตุกับผลแก้ไม่ถูกเมื่อแก้ไม่ถูกมันก็เป็นอย่างงี้แทนที่จะมาแก้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรานึกเราคิดเราทําเราผิดหวังเราพลาดท่าอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์อยู่เดี่ยวนี้ตอนนี้ก็ไม่สนใจแล้วกินยาผิดบ้างฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างเป็นก็ถือว่าเป็นการแก้แก้ปัญหาอันนี้เป็นการเพิ่มปัญหาไปอีก โดยทางธรรมะท่านก็นถือว่าแทนที่แทนที่จะหมดทุกยิ่มยิ่งเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะการฆ่าตัวตายนั้นท่านถือว่าเป็นบาปอั ต, ตะวินิบาตอั ต, ตะวินิบัต็ถือว่าเป็นเป็นการทําร้ายร่างกายตัวเองเนี่ยท่านถือว่าบาปพืรรร้ร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายไม่รู้เรื่องแต่พอใจได้รับความทุกข์แล้วก็ไปฆ่ากายของตัวเองเพื่อสนอง แล้วก็คิดว่าแก้ความทุกข์ที่ที่านว่าเกิดแล้วค่าตัวเองตายห้าร้อยชาติเนี่ยนี่คือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละเวลามีเรื่องทุกข์เดือดร้อนใจอะไรปุ๊บปั๊บแก้โดยวิธีค่าตัวตายคนเราทั้งพบทั้งชาตินะ่ะไม่ได้ศึกษาทําไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วนะ่ะยิ่งมีบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีมีความทุกข์ใจมีความลาบากใจมีความเดือดร้อนใจบางที ไม่มีความอดไม่มีความทนทุกข์ใจขึ้นมาแล้วค่าตัวตายง่ายๆทุกข์ใจขึ้นมาแล้วค่าตัวตายง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านว่าห้าร้อยชาติถ้าลองตั้งเจตจํานงตั้งเจตจํานงทุกข์แล้วเกินตั้งใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตั้งเจตจํานงฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกอั <aine S 1> อนนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะมันมีเจตนาน เจตนาแรงกล้าเท่าไหร่ผลของกรรมก็แรงกล้าเท่านั้น um. เรื่องเรื่องตัวเจตนาเป็นเป็นแรงช่วยผลักดันให้กรรมนั้นๆเบาหรือหนักใ <c oughs> <c oughs> บสามใบสามเท่าไรใบสามครึ่งเหรอใบสามครึงคร่งเอาอ า, าจารย์มณนะคุยบ้างพูดบ้าง แล้วเอามนนิทานหลือานิทานเด็ดๆเดดนะ่จะจะฟังนิทานอะไร <c oughs> นิทานพุทโธพุทโธแหละดีเ <c oughs> นั่งพุทโธไปเรื่อยๆ เหมือนกับเราให้อาหารทางใจอาหารหวันคราวเราให้วันหนึ่งตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยวันหนึ่งเราให้อาหารกี่โหนอาหารใจนี่แหละเราให้แบบนี้แหละอาหารใจที่ท่านอาจารย์เป็นมิท่านอธิบายพอเข้าใจไหมพอซึมซับไหมเนี่ยเราก็ค่อยๆพิจารณาไปพิจารณาไป เราเราพอนำนาบ่อยมันก็ค่อยๆซึมซับไปชีละหน่อยชิละหน่อยชีละหน่อยเหมือนกับฝนตกทีละเม็ดสองเม็ดเนี่ยมันเต็มหงเต็มท ะ, ทะเลนี่เราก็ค่อยๆสั่งสมคุณงามความดีไว้สั่งให้บรรจุได้ในจิตใจเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ที่เขาบรรจุไฟจบไปเมื่อค่อยไหลไปไหลไปไหลไปกี่ชั่วโมองกี่วันกี่เดือนกี่ปี มันมยังไปคำนึงคำนวณถึงเวลามันก็เต็มของมันพร้อมที่จะใช้งานได้อห้ น, นิจจิตของเราเหมือนกันเราก็สั่งสมสิ้รสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆถึงเวลาที่มันจะเข้าใจมันก็จะค่อยๆมีความดื่มดําในรดพระธรรมนี่ในเมื่อมันดื่มดําลดพระธรรมนี้มันดูด เคยไปฟังเทศสิร์หลวงตาที่จันทบุรีเนะี่ยตอนนั้นไปไปฟังเทศส์หลวงตาเนี่ยอาจารย์ประเวศก็เปิดเทเให้ฟังเสียงหลวงตาที่ออกจากเทศส์ในเครื่องในเครื่องเทเเนะี่ยมันดูดจิตโอ้ตะดุ้งโยงเลยมันดูดมันไม่ธรรมดาเนี่ยดูดมันกับแม่เหล็กดูดเหล็ก ตึ้งเมื่อก่อนนี้เราไม่เป็นมีภาพมาผู้เรียฟังเราก็เอ้มันดูดแบบไหนอพอเราว่าเป็นเจ้าของโอ้มันดูดแบบนี้เองนั่นจิตที่เราไม่มีความฟาุ้งซ่านแล้วจดจอ่อจดจ่อไม่กับเรสนได้เข้ารูเข็มเราตั้งฝนตั้งตั้งสอดปุ๊บเข้าปับ๊บเลยนี่เหมือนกันเราเราตั้งใจภาวนาแต่เราอย่าไปไปจอเสียงที่ออกจากเทียนครูบาอาจารย์เราไม่ไม่จำเป็นสนใจนั่น เราตั้งความรู้เฉพาะตนเนี่แหละมันเราตั้งสติสัมปชัญญะอยู่กับตนอยู่กับตัวเราเดยเสียงธรรมที่ท่านเทศมันจะค่อยๆไหลเข้ามาเองฟังดูสิมันไหลเข้ามาเองเนยมันกับน้ําที่มันไหลไปตามกระแสของน้ําที่มันไหลเนี่ยมันดูดมันดูดแบบนั้นเลยไหลปุบปับปุบปับปบป บ, ป บ, ปบนี่นี่เคยสัมผัสมาแล้วถึงได้กล้าพูดได้เต็มปาก การฟังเทศนั่งภาวนาเนี่โอ้เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าท่านปรุงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปจะชิมรสชาติหวานไหมไม่หวานเอาท่านเติมน้าตาลให้เค็มไมไม่ไม่ไมเค็มเราท่านเติมน้ำปลาให้ลักษณะเป็นแบบนั้นการฟังเทศครูบาอาจารย์ที่เรานั่งภาวนาฟังไปด้วยมันก็พาท่านปรุงให้เราเสร็จแล้วใช้ให้เราชิมดูนั่น แต่เราเป็นผู้ฟังเราอย่าตามอย่าส่งกระแสจิตออกไปทางผู้เทศหรือเสียงที่มาเราตั้งความรู้เฉพาะตนอยู่ในตัวเราตั้งสติเมื่อเราตั้งสติความตั้งมั่นนี่เราเรียกว่าตามความตั้งมั่นมันจะเกิดกระแสแห่งธรรมมันก็จะไหลเข้าไหลเข้าซึมซับเข้าซึมซับเข้านี่เพราะอะไรเพราะเราจุดนั้นโลก ไม่มีความฟุง้งซ่านนิวรต่างๆไม่มีนิวร ม, มันอย่างว่เครื่องกั้นที่เราให้เกิดความหงุดหงิดลาคาญใจ ม, ม, ม, มันไม่มีเมื่อไม่มีจิตมันก็จดจ่อมื่อเมืเราตั้งท่าที่จะสนลูเข็มนั้นนี่แหละเป็นถึงสามวันติดโอ้ตอนแรกเป็นวันเดียวเราก็ยังเจอเปอิดวันที่สองก็เป็นอีก วันที่สามก็เป็นอกีกโอ้จนแน่ใจเลยโอ้จิตตั้งมั่นมันเป็นแบบนี้มันไหลเข้ามาเองนี่น่ะทรามปัดสัมพันธ์ใจดูดเหมือนกับแม่เหล็กดูดเหล็กจิตชอบมีความเบาคายเบาจิตเบาสบายมันซึ่งอยู่ยในหัวอกเนี่ยนหะมันซึ่งอยู่แบบนั้นเป็นอาชิดอาชิดหลังจากที่เราดูดแล้วน่ะนี่ท่านบอกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงต่างกันโดยสิ้นเชิง รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดร้อนมันก็ประเดียวประดาเดี๋ยวก็หายแต่รสที่มันมาสัมผัสเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนึกพับมันก็มีความอบอุ่นมีความเย็น อ, อกเย็นใจนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ปาอยู่เขาท่านได้กำลังท่านได้กำลังแบบนี้นี่เราก็ออกมาประพฤติปฏะบาทแล้วก็ปีกเวลาเวลาจิตจากการงานภายนอกเราก็แบ่งเวลา อยู่บ้านก็ดีแล้วก็พอสงบแล้ก็หลับกันแล้วก็มานั่งลุกขึ้นมานั่งภาวนาหาเวลาหลีกเว้นออกหาที่ภาวนากายวิเวกจิตวิเวกนี่แล้วก็หากายี่สงบสงัดเมื่อชที่ยสงบสงัดมันก็เป็น มันาฐานเป็นรากฐานให้สู่ความสงบได้เมื่อเรามีความร่มรื่นสงบลงจิตวิเวกนี่กับเราจะพิจารณาอัตธรรมมันก็สัมผัสสัมพันธ์กับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่สติมันสัมปจัญญะรวมตัวขึ้นมานี่ทำให้มีความดื้อหดในอัตรนดมันจะกลมเกลืนไปเหมือนกับ อานหวานเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราตักกับข้าวเข้ามาแต่อยู่ในช้อนเน่ยมันรวมอยู่ใ น, ในนั้นเสร็จหมดแล้วต้องปรุงมารปรุงรสชาติมาเรียบร้อยแล้วสติสติสัมปัชัญญะที่มันรวมตัวกันเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นเราก็ดื่มดํานี่เราก็ต้องนักปฏิบัติเราก็ต้องคอยสังเกตดู ว่าเราทำแบบนี้แบบนี้ผลมันเป็นแบบไหนแบบไหนกันกลองดูตรลองดูว่าเราทำไปไม่ใช่ว่าทำแบบไม่คําไม่ค่อควรว่าเราุกจิตแบบไหนเรานั่งสมาธิแบบไหนจิตเรามีคำอยู่กับที่หรือว่าฟาุฟงา้ฟงซ่งานเกิดฟุฟง้ฟงซ่งานเกิดความรำคาญใจเกิดขึ้นเราก็หาอุบาย เปลี่ยนอริยบทหรือแก้ไขถึงไหนที่เราดำรงอยู่ถูกจริตเออแล้วก็เรารึกถึงจุดนั้นแต่เราอย่าไปคาดหมายให้อยากเป็นเหมือนวันก่อนๆไม่ได้ให้อยู่ในวงปัจจุบันแต่เรานึกถึงอารมณ์ที่เราเคยกระทาแบบนั้นเอามาแต่เราแต่เราจะไปคาดหมายให้มันเป็นเหมือนวันก่อนๆไม่ได้ ใจเราข้างภาวนาเราก็ตั้งทักเตะตอยู่กับตัวจะฟังที่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่อย่าส่งกระแสจิตออกไปนี่ผลมันจะปร ะ, ประจักษ์หรือผลมันจะสัมผัสได้มันอยู่กับเราเปิดเครื่องรับให้ดีท่านเปิดเครื่องขยายมาให้แล้วเราโจรเครื่องให้ขึ้นเราตรงกับเครื่อง ท, ที่ท่านส่งมาให้เราปรับใจให้ดีปรับจิตให้ดี จ, จัดความฟุง้งซ่านถ้ามีอาการนั่งแล้วมีการปวดหัวเราก็อย่าไปเก่งไปทํำสบายๆบายบางครั้งมันมีอาการปวดเราอย่าไปสนใจนาทำให้มันปกติบางทีลมภายในมันเคลื่อนมันก็ค่อยไล่ไปเองอะไรแต่เราอย่าไปตื่นอย่าไปก๊าดหนกทําอย่าไปเก่งทําปกติด้วยการ ระหว่างลมภายในที่มันเคลื่อนแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็บางครั้งมันก็มีอาการแต่เราอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดก็รู้แต่เฉพาะนั้นเราอยา่าไปสนใจเท่าไหร่เรากาทำงานของเราต่อไปถ้าวาเราไปให้ความหมายสิ่งกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเลิกสัมมาคัมมันตะการงานที่เราทำอยู่นี่เห็นไม อย่างท่านพ่อนี่ท่านให้อุบายเรื่องอนาปานัตติเนี่ยตั้งลมเฉ่บายจมูกตั้งความรู้เคลื่อนไปทางหน้าผากเคลื่อนไปทางกลางกหมบอมเคลื่อนไปใช้ ท, อ ย, ทอยเนี่ยบางครั้งมีอาการปวดหัวเราก็สูดหายใจลมลึกๆเพื่อให้มันเต็มปอดแล้วผ่อนให้ค่อยๆผ่อน บางครั้งอาการปวดหัวบอาจจะมันก็จะหายไปนี่พอหลักอนาปาน า, าสติเนี่มันถ้าเปรียบเทีกับกรรมฐานที่สิบห้องอนาปาน า, าสติมันก็เป็นพี่ใหญ่อผู้ที่ชอบจิตอนาปาน า, าสติท่านพ่อรีชันก็พูดไว้มีสองแบบแบบหนึ่งกับแบบสองแบบที่หนึ่งก็ตั้งที่ว่าเนี่ย ตังที่ปลายจมูกแล้วพอไปพัดสงบไม่ฟุ้งซ่านเรากขึ้นมาที่หน้าผากเราเคลืนมาที่กลางกระหม่อมนี่ยคือมันจะเคลืนไปในความรู้สึกแล้วเราจับจุดนั้นที่มันมาสัมผัสจุดนั้นเคลื่อนเพื่อนนี่ก็ขึ้นมาถึงท้ายทอ ย, ทอยแล้วมาทรงอกนี่นี่อันนี้แบบที่หนึ่ง แบบที่สองคือการกระจายลมที่ลักษณะพาณิชย์ลมลึกถึงลมหายใจเข้าผู้ชายท่านก็ให้กระจายเคลืนไปทางด้านขวาก่อนผู้หญิงก็ให้ไปทางด้านซ้ายก่อนลมหายใจเคลื่อนหายใจเข้าไปที่ปลายจมูกเคลื่อนไปทางหน้าผากเข้าไปกลางกระหม่อมลงเททอยลงเยทอย แล้วผ่านทางขาซ้ายของผู้หญิงผ่านทางขาซ้ายก่อนผู้ชายก็ผ่านทางขาขวาก่อนแล้วออกไปทางนิ้วทั้งห้ากระจายไปอากาศนี่คือการวิตกให้วิจารณลมออกไปทางนั้นแต่ไม่ใช่ตามลมออกไปบางคนมาถามอาจจะมามั น, จ ะ, มน จ, ะจะออกไปได้ยังไงเอาอย่าให้จจตามออกไปเพ็นงแค่นึกม่ตกวิจารจเฉยๆลมจะออกไปนิ้วไปได้ยังไงเรามั่ออกไปไม่ได้หรอก แต่เรานึกให้มันเป็นแบบนั้นว่ามันจะออกไปตามนิ้วทั้งห้าครั้งที่สองก็นึกถึงลงมหายใจเข้าผ่านพรงจมูกลงหน้าผากลงกลางกระบอกโพรงเตจทอยผ่านไปทางขาซ้ายสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็ผ่านไปทางขาขวาลงทางเขา่าลงทางแข้งลงทางนิ้วทั้งห้ากระจายไปอากาศนี่ครั้งที่สองครั้งที่สามนึกถึงลงมหายใจเข้า ผ่านโพจ์จ ม, มูกผ่านกลางหน้าผากผ่านกลางกระบอมลงเยื่อทอยผู้หญิงก็ผ่านแขนซ้ายผู้ชายก็ผ่านแขนขวาลงไปจังศอกไปจังนิ้วทั้งห้ากระจายไปอากาศนี่ครั้งที่สามขั้นที่สี่แค่เน้นถึงลมหายใจเข้าผ่านโพงจ ม, มูกลงกลางกรบอมลงเยื่ทอย ผู้หญิงก็ผ่านไปทางแขนขวาผู้ชายก็ผ่านไปทางแขนซ้ายลงเป็นดังนิ้วทั้งห้ากระจายไปอากาศนี่อาการที่สี่อาการที่ 5, ห้าเนื่องจากลมหายใจเข้าผ่านพงจมูกไปทับผากลงกลางกระบอกตรงเททอยผ่านตับใตไส้พุิลงทวารหนัก กระจายไปอากาศทั้งหญิงทั้งชายครั้งที่หกลงตรงลมหายใจเข้าผ่านโพงจมูกลงกลางกระบอลงไตทอยผ่านตับใต้ไส้พุงหลงวาวรเบากระจายไปอากาศทั้งหญิงทั้งชายหอาการเราพิจารณาอยู่แบบนี้แหละทํางานคือให้จิตมีงานทําอย่าไปอยู่เฉยเฉยให้จิตมีงานทําทําให้มันต่อเนื่อง มันจะเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราอยา่าสนใจคิดอยู่แบบนี้ผ่านไปหกอย่างย้อนไปย้อนมาผ่านนี้ถ้าเราทำได้จนส ต, ติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันล้มมันนี่แหละมันจะเคลื่อนอยู่ในร่างกายเราจนจิตเป็นสมาธิความฟุ้งซ่านก็ไม่มี มันก็จะเห็นผลประจักษ์ว่าลที่เรากระจายลมอยู่นี่ลมมันอยู่อยู่ในสกุลกายร่างกายเราเนี่ยเอากายเราเป็นสนามลบกระจายไปทั้งหกอาการนี่แหละเมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วมันจะอยู่ในกองลมเมื่อมันอยู่ในกองลมเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้มันก็สู้เวลาที่สติ ป, ปัญญาเป็นเกรงไก่เนี่ย ว่ามันสนุกนะถึงจุดนี้เราสนุกเวทนามันก็โหมหนักเข้ามาสติปัญญามันก็เก่งเก่งกในขณะนั้นมันก็สู้ไม่ถอยนี่เวลาที่มันเข้าตรึงบอลกันคุกวงในนี่นสรุปให้ฟังง่ายๆสนุกถ้าคนไหนถูกจริตกับหลักอนาปานลองไปกระจายดูมาถึงทำถึงจุดนี้แล้วว่า ม, มีความสุข เวลาถึงจุดนั้นอาการของเจตมนันก็ต่อสู้กับเวทนาถึงขั้นถึงถึงฉิงเห็นผลประจักษ์กับอนาปานาัตติเราอยู่ได้เพระลมหายใจเข้าออกนี้เห็นเป็นธาตุลมล้วนๆเลยผ่านทะลุหมดหนังหนังทะลุหมดลมหายใจที่เราหายใจอยู่เนี่ยทะลุไปอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนั่นอัตจัรต์อัตัใจเกิดขึ้นทันทีเลย ที่ลมมันออกทุกขุมขนในร่างกายเราเนี่ยประสานกับลมภายนอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละที่เจ้าชายสิทธถะที่นั่งอยู่ใต้ล่มบ้านเนี่ยที่ท่านตอนที่พระเจ้าตอนที่พระเจ้าสุโธนะพาไปทําพิธีแรกนาขนเจ้าชายสิทธะก็เชเดนจริญอาณาพานาสตินี่แหละจนจิตท่านเป็น สมาธินั่นเงาต้นว่าเี่ยไม่ทอดออกไปถึงตะวันคอยแล้วเนี่ยเงาต้นว่า ย, ยังตรงดด่งอนุภาพแห่งการเจริญอนาปานสติมีอันที่สงขันขนาดนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุโธทนะเห็นปุ๊บกาบลงทันทีเลยนั่นสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ครั้งทำแหมพุทธกาลแล้วแล้วท่านทอรีก็เลยเอามาใช้ในปัจจุบันนี้ ก็เรานั่งภาวนาอยู่ร่มข้างในกับรมข้างนอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ได้เคยทำมาเห็นผลประจักษ์ถึงกล้าพูดได้เต็มปากนี่แต่กว่าจที่มันจะเป็นโอ้เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำเล่นๆทำจนโอวิชนามันลุมรุมเข้ามาโอ้แทบจะระเบิดทั้งขาทั้งหัวแทบจะระเบิดแต่ใช่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราโสตาย ถละตายเลยเอาตายให้มันตายมันก็แย่งมาเดี๋ยวพิการเอาพิการให้มันพิการถ้าเราไม่เด็ดถูกกิเลสน็อกตกเวทีเหมือนกันจุดนั้นไม่รู้กำลังมันมาจากไหนหนุนเรืองขึ้นมาหนุนเรืองขึ้นมาต่อโซ่กเทานี่แหละในถึงมีความเชื่อมั่นในครั้งพิการณาถ้าเดินจมกลมจนฝาเท้าแตกนั่นนั่ง อาจจะทนไม่นอนจนจักูุแตกแั้ไม่ใช่คนเม่เมีเบเสียะจะ ไ, ไปทำแบบนั้นความเพียรถึงขั้นอุ ก, กิจถึงจะสู้ได้ถึงจะเอาต่อสู้ในขณะนั้นได้มันมีจุดที่จะให้เลิกมันมีผลไม่มีเหตุปจัจจัยชีงทำให้เกิดให้มีแล้วมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเนี่ยหลวงตาท่านถึงพูดว่าเป็นมาสติมหาปัญญาต่อสู้กับกิเลสในขณะนั้นในขณะนั้น นี่หลธรรมะวุตที่เราผลิตขึ้นมันมีอยู่กับทุกคนนี่แหละที่เราต้องใช้กันกรองสติปัญญาให้ดีเนีเ่ยเราดูเครื่องกรองน้ำเห็นไหมล้วกรองน้ำจากน้ำได้ไม่สะอาดกรองให้สะอาดจนปราศจากสิ่งเจือปนน้ำใสมาบริโภค เราก็กรองอารมณ์ต่างๆที่มาเกาะอยู่ในจิตใจเรากรองอารมณ์ที่มาสัมผัสสัมพันในกรองกรองอยังไงก็ความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นกรองออกขจัดปัดเปล่าออกด้วยธรรมะวุฒของพระองค์ ค่อยๆปรับสติให้ดีสร้างสติให้ดีมันอยู่ในแขนสองขาสองศีษะหนึ่งนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่แค่เอื้อมมือเราให้เราเอาสติคว้าให้ดีว่าใช้คำาบคมพุโทโธก็ดีหรือใช้อุบาต่างๆอะไรก็ดีที่เราถูกจริญค่อยๆพิพจารณาไข้ควรสิ่งเหล่านี้ ถ้าเผื่อเราทํายุ่ทําเสมอเนี่ยมันแม่นเหลือเบากว่าแรงที่เราจะสามารถที่จะรู้เห็นได้ในเมื่อเราประกอบเหตุให้ดีทําให้ดีทําให้เกิดมันก็เห็นผลเขาค่อย <c oughs> ๆทำไปเติมเติมสิ่งที่ยังไม่มีเติมให้เต็มอันนระบบพองเอาความเพียนมันน้อยเลยไม่ต่อเนื่องก็ทําให้มันต่อเนื่องใ น, นมันคิดเกยคค้านเนอะเราก็อย่าไปตาม ใจกิเลดมันก็ฝืนมันอยากนอนหรือเราไม่นอนแล้วก็เดินจงครมมันอยากทานมากหรืแล้วก็ดัดเส้นบ้างมันอยากทานมากอะงดทานเลยนั่นนี่นะ ว, ว่าทำมากคู่แข่งกันเราต้องแก้ใจิตใจที่เราจมอยู่ในวัฏวลเนี่ยพยายามลือออกคุณออก ในเมื่อกว่าในใจเราเนี่ยมันเป็นทองที่มันถูตะ ก, กัวหุ้มเราก็าเอาสติทำขันติจทำบริทธรรมเนี่ยเคี่ยวคุ้ยตะกัวที่มันหุ้มทองออกเราก็ค่อยเกี่ยวเคี่ยออกเคี่ยวออกเคี่ยวจนเหลือแต่เนื้อทองอะ่ะเมื่อเราเคี่ยวออกมาความสุขความเปล่งปังของทอง ก็เป็นงลัทธิออกในจิตใจเราเนี่ยความชื่นหกชื่นบานความอิ่มเอิบในจิตใจเราก็มีมากขึ้นมากขึ้นนั่นอยู่ไหนเมื่ออยากจะภาวนาอยู่ไหนไม่ก็นั่งจิตมันก็สงบมันจะเร็วนั่งไหนมั่ก็มีความสุขเพราะความฟุ้งส่านที่มันเคยมา รบกวนจิตใจเราเรารู้กลุมัญญาของมาแล้วเรารู้สกัดแล้วก็เหยียบเบรกนั่นขความฟุงศ่าก็ไม่สามารถที่จะเครือบคันเข้ามาได้เขาก็เอาความเพียนตับธรรมแผดเผาเข้าไปแผดเผาเข้าไปเอมันยิ่งเผานะายิ่งสนุกนะมันจะทำให้เราไปจักในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละบทแต่ละบาทเนี่ยท่านกล่าวว่าอย่าง มันยำซึ่งอยู่ในหัวใจอยู่ตอดเวลาอิเกเรตมันก็ทำให้เราล้มเลิกอ้างนั้นอ้างนี่เนี่ยคนมายามกเรตมันแหลมคมเราล อ, ลองนักดูลูกฟุตบอลที่มันอยู่ในสนามฟุตบอลนักเตะมีทั้งหมดสองข้างข้างละสิเ็ดคนกกเรตมันเตะจิตเราหัวตลอดปลากเปิด เตะไปเนี่ยยี่สิบสองเท้าสองฝั่งก็สีสิบสี่เท้าเตะซ้ายเตะขวาเนี่ยฮัลโหลเกลียดเตะมันเป็นแบบนั้นเน่ยลองนึกดูเตะจนลูกบอลขาดไม่รู้กี่ลูกเตะเราไม่ไปเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่ไปอยู่แบบนั้นนี่แหละเราก็จะยินดีให้มันเตะอีกเหรอนี่ถ้าเราพยายามน้อมนึกออกมาเรามา ใครควรดูตั้งส ต, ติลงไปสิบนาทีไม่สงบเอา้า<ม>เพิ่มไปยี่สิบนาทียี่สิบนาทีไม่สงบก็เพิ่มเข้าไปครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงยังไม่ยังไม่สงบอีกก็เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างสลับกันไปทําอยู่แบบนั้นพยายามใค้ควรหาความสงบให้ได้เมื่อเราทําอยู่สม่มมําเสมอสม่มมําเสมอ จดจ่ดตอต่อเนื่องต่อนเนื่องมันจะก็ไม่เหลือบบากว่าแรงเหมือนกับเราสนเอาได้สนเข็มน่ะสนผิดบ้างถูกบ้างสนไปมันไม่เข้าเอาสนใหม่หาอุบายสนให้ได้หาอุบายนั่งทาความเพียรให้ได้ตั้งสติให้ดีตั้งความเพียรเราทำแบบเนี้ย พุโทโธพุธโทโธถียิบลงไปจะทู่เตาความเจ็บปวดเอาพุโทโธถียิบเลยนี่เคยทำมาแล้วเนี่ยปวดจนแสนปวดเอาพุโทโธไล่ถียิบเลยกองเวชนาหายปุ๊บเลยนี่มันจะมันก็พูดมันก็แยกมาเดี๋ยวจะพิการนะฮ า, าตายเป็นตา ย, นยจนเวช น, นั้นผังลงผังลงจิตก็รวมปุ๊บนั่นใช่ไหม พเร า, เาตั้งมันมันลงไปอาตายเป็นตายมันก็ชนะได้แต่ก่อนๆเราเราก็ต้องใช้ความเพียรไม่ไม่ใช่ธรรมดาต้องใช้ความเพียรอย่างอุ ก, กิจที่จะต่อสู้แต่ก่อนที่มันจะจะใช้ความเพียรถึงขนาดนั้นมันมีเหตุปัจจัยหนุนมาก่อนแล้วเพราะเราเห็นผลประจักษ์ที่เรานั่งนะั่นเราเห็นผล มันก็ได้มีความเพียนหนุนเนืองกันเป็นลําดับลําดับไม่ใช่จู่ๆเรามานั่งตูมสามชั่วโมงไม่ใช่แบบนั้นเราทําเพียนความเพียนต่อเนื่องต่ อ, ตอเนื่องต่อเนื่อ ง, อองจิตมันได้กําลังมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปท่านเปรี่เสตัวเรือล้อเจ็ดผัดมันเคลื่อนไปแบบนั้นเนี่ยมันเห็นกับใจของเราเลยโอ้ทำอริยมรรคเป็นของจริงเนี่ยมันเคลื่อนแบบนี้เคลื่อนแบบนี้เป็นธรรมจกักรหมุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปถึงเวลาที่มันเป็นแล้วมันเป็นไปเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมีใครมาชี้เนยะมันเป็นของมันโดยอัตโนมัติในสติที่มีความเก่งไกขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสติสัมปชัญญะพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่นี่หลยว่าคนเรามันไม่ใช่โงังตลอดไปมันสามารถพลิกขึ้นมาได้นี่จากที่กิเลสมันคอยเป็นคลองจิตใจเรามาไม่รู้เท่าไรเท่าไหร่เราคว่ำ ม, มันได้นี่ นี่เมื่อเราทําอยู่สมาเสมอๆนีนนนย้ยอมรับความเป็นไปของพระพาาุทธเจ้าตอนนี้เรายังไม่เห็นผลแล้วว่า ร, ร, รูปคำไม่ต่างอะไรกับตาบอดคําช่างอ่ะคําตรงงวงบ้างตรงหางบ้างตรงขามั้งตรงหนังบ้างตรงหูบ้างคำคำไปคําไปคําไปนี่ เราก็ค่อยๆจับสติตั้งส ต, ง ต, งตงิค่อยๆเครือบคันไปเคลือบคันไปดำรงสติตั้งไว้ให้มันคงกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกเรือนอนัปปานัตติเนี่ย น, นี่แหละพุทเจ้าก็ไปจับอย่าไปย่อท้ออย่าไปอ่อนแอมันนี่ว่าเราบุญวัฒนาน้อยบุญน้อยวัฒนาน้อยหนยนแกแลมตีเอาไว้หมดนี่ ล้อมคอเขาไว้ให้เรากลหลงในอุบายของเกลียด ห, หมดถ้าพอเรามีวัสนาน้อยบุญน้อยเราไม่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกไม่เกิดเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ให้กูเชื่อกินเดี๋ยวไว้พวกนี้จะเอาทีดีมาแจกทีดีของเลไวิชีวิตที่เราล่าให้เฮ้ยมีตั้งแต่เป็ดไก่ปาลาไหลปลาดุก หมูหวัวควายก้เชื่อแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่รู้เขาไปถ่ายทำที่ไหนเป็นดีมีภาพท่านเอามาให้แต่ใดก็ปีมาไม่ไม่ครบจำนวนมีอยู่ประมาณ1 8 1แแผ่นไดไงคนนี้คนบรรยายก็บรรยายดีเหลือเกินนะเบรรยายหยดย้อย ว่าขอชีวิตแล้วก็มายอมละเอ า, เอ า, เอ า, เอาปลาไหลเนี่ยเอาวางมันเขียงเอามีดจักติดกับเขียงแล้วมีดนี่ยบงับงบงับงบงังบงบังบังโอ้ปลาดุกก็จิกันไปกระเดากระเดากระเดากระเดานี่ชีวิตชีลําให้ใครอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างไม่มีใครอยากเป็นแต่เขาเกิดมาวิบากคำเที่ยวเกิดมาเป็นตัดเป็นอาหารของมนุษย์เนี่ย เห็นแล้วมันก็เป็นกติทำให้เราดูเป็นสลดท้องเวทถ้าว่าเราไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นละ่ะเราไม่สามารถที่จะต่อสู้อะไรขเขาได้พราะเราเกิดเป็นมนุษย์นี่เรามีโอกาสดีกว่าพบแบบนั้นแต่ถ้าเผลอเราไม่สร้างคุณธรรความดีไว้เผลอไปเราลึกถึงประวัติถึงเวลาเราใกล้ตายเป็นประวัติถึงสิ่งเหล่านั้น ไปเกิดในที่แบบนั้นโอ้ทำยังไงขัดทุน <c oughs> นี่สี่โมงแล้วเมื่อไรจะถึงสี่โมงสักสี่สิงแล้วนี่นี่มันท่าอาจารย์เดี๋ยวเราก็ได้พักกันเดี๋ยวหกโมงอยมาเจอกัน <c oughs> เราก็ฟังมากมายนะได้คติได้อบายได้ยินได้ฟังผ่านหูนะผ่านจิตผ่านใจคนละไม้คนละมือช่วยกั น, น, ะนะตอนนี้เราพักทำอะไร หนึงน้ำปานะ6มงรวมกันอีกหนึ่งทุ่มธรหนึ่งทุ่มหรือๆหกโมงครึง่งหนึ่งทุ่มเมืบบ่อวานหนึ่งทุ่มนทุ่มเราก็มาทำกันอีแล้วก็หนึ่งทุ่มเราก็เลิกสี่ทุ่มรู้สึกว่ามาราธอนยาวๆมกันนะ ตั้งใจดีนี่เป็นนี่หอธรรมนี่เป็นเบ้าหลอมอย่างดีเลยนะนะเอากเกลเยะมามัดทุบสายทุบขวาดูดิมันดิ่ น, นในใจของเราเนะนะนะอะก็นับว่าเป็นประสบการณ์พวกเราได้ยินได้ฟังหอธรรมเนี่ยเป็นหอมอกเอากเกลเยะมามัดทุบส้ายทุบขวาอย่างนี่น ได้ได้ยินได้ฟังมีเวลาก็ตั้งใจทำทำให้มากๆมีอย่างเดียวภาวิโตภาบรีกโตภาวิตาบารีกตาทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าทำให้มากเจริญให้มากเออเราพักแค่นี้ก่อนอ่าพักแค่นี้ก่อน